และความหมายหนึ่งของคำว่าเสียสยนานามเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยนะตรงกันข้ามเช่นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นเสียนานามเพราะมันตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิคําว่าเสียนานามก็ประกาศถึงความเป็นศัตรูด้วยนะเป็นเป็นศัตรูเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสัมมิจฉะนิยตาธรรมมาเนี่ยนะคือมิจฉะถ้าเขามีแปดนะอย่าไปสอนสัมมาตาแปดให้เขาเลยเนี่ยนะ โดยเฉพาะข้แรกถ้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐินะอย่าไปแนะนำอริยสัจเลยเนี่ยนอะอริยสัจเป็นความรู้ของสัมมาทิฐิใช่ไหมถ้าไปแนะนำกับชาตตะเนี่ยไม่มีประโยชน์เนเพราะฉะนั้นมันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเลยนะส่วนข้อหบอกว่าทิฏฐิวิบัติวิบัติก็คือแปรปรวนผิดรูป เนี่ยนะบางคราวก็สัตตะทิฏฐิบางครั้งก็อุเฉททิฏฐินีมันวิบัตินะ่ะนะมันไม่ได้คงที่อะไร น, นะมันแปรปลวนผิดรูปเนี่ยนะไม่ไม่ไมค่อยเอาแน่นอนไม่ได้นะกับพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหเขาจะต้องแน่นอนนะไม่ใช่อีกภาคหนึ่งเขาก็บอกว่าเที่ยงอีกภาคหนึ่งเขาก็ศูนย์อย่างเช่นเนี่ยนะโอ้โหสัตว์เนี่ยเที่ยงนะและแต่ว่ามันตายเกิดอนยะ่างเงี้ย ไม่รู้หมายเขาว่าไงวิญญาณเนี่ยเที่ยงแต่มันตายเกิดนะก็เ<ม>อากับเขาสิ<ม>ใช่ไหมมันยังมีจุติปฏิสนธิอยู่นะแต่ว่ามันเที่ยงพูดแล้วเข้าใจยาก น, นะคือมันบางครั้งมันว่าเที่ยงบางครั้งมันว่าศูนย์มันไม่ค่อยเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นใครไปเถียงกับมิจฉาทิฏฐินะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าเขาเขาจำไม่ยืนยังในหลักการของเขาอะไร เขาก็เอาเที่ยงบงังเอาไม่เที่ยงบงังก็เลยเป็นกลุ่มเอกัตจสะสตระทิฐิเนี่ยนะเขาเอาไอ้ความไม่เที่ยงเนะี่ยว่าเป็นที่คือตายแล้วมันต้องเกิดเกิดแล้วมัต้องตายมั น, มมนเกิดเพราะที่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเพราะเขาเข้าอย่างนี้นะเขาระลึกชาติได้เป็นแสนแสนกลับว่างั้นเถอะเป็นกลับเลยพอเขาระลึกได้เป็นกลับๆเนี่ยนะเสร็จลนะแล้วเขาบอกว่าเออมันเที่ยงนะเพราะมันยังอยู่อ่ะเมื่อเมื่อเป็นกลับๆที่แล้วมันก็ยังอยู่ แปลว่ามันตายเกิดนะมันเปลี่ยนชาติไปเรื่อยนะเอาสิเพราะฉะนั้นไอตอนที่ว่าเที่ยงมันก็ทิฏฐิอย่างเสลล์เล็กๆพัหนึ่งบอกว่าตายเกิดนะอันนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ไห ม, มพวกนี้ก็อย่าไปอย่าไปทุ่มเทียงกับเขาอ่ะนะเพราะเขาคิดแบบนั้นอะ่ะทั้งทิฏฐิมันวิบัติมันแปรปรวนไปเรื่อยอะ่ะเรียกว่ามันดิ้นได้ทิฏฐินี้เป็นเหมือนลูกศรเอ่อ เป็นสังโยชน์นะคำว่าสังโยชน์นี้แปลว่าประกอบไว้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ประกอบไว้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทิฏฐินี่ก็ถ้าทิฏฐิเกิดนะประโยชน์โลกนี้อาจจะได้นะประโยชน์โลกหน้าไม่ได้นะประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่ได้ประโยชน์โลกนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ตลอดฝั่งตลอดรอดฝั่งจริงหรือเปล่าส่วนทิฏฐิเป็นลูกสอนเนี่ย คือลูกศอนเนี่ยนะถ้าถ้ามันแทงอ่ะถ้าใครใครเคยเล่นลูกศอนเนี่ยจะรู้คือลูกศอนมันจะเป็นหยักหยักเวลามันแทงเข้าแล้วดึงไม่ให้ดึงออกง่ายๆนะถ้าดึงออกแล้วมันต้องขาดอย่างอื่นตามมาด้วยเนี่ยนะมันจะเป็นตะขอนะตะขอมันจะเยอะมากแล้วแต่แล้วแต่ช่างสอนเขาทําอ่ะนะมันจะเป็นหยักหยักยงคนนึกออกไหมอ่เป็นเป็นเนี่ยงคือคือมันแล้วแต่ช่างบางช่างเขาทําแบบนี้ แล้วก็หลายเงี้ยงแล้วก็แทงเข้าไปคือแล้วก็ถอนออกมาเนี่ยมันก็ได้แผลอีกแผลหนึ่งต่างหากเลยนะเข้าก็แผลหนึ่งออกก็แผลหนึ่งทีนี้มันจะผสมยาพิษด้วยถ้าเป็นของทหารโบราณเลยเนี่ยเขาจะผสมยาพิษเพราะฉะนั้นยิงขอให้มันถูกเจ็บตรงไหนหน่อยนะที่เหลือก็พิษมันจะกระจายตายภายในไม่นาน แต่ก็เขาก็มียาแก้กจนได้นั่นแหละที่ทิฏฐิมันเป็นเหมือนลูกสอนเนี่ยเพราะว่ามันพอมันเข้าไปภายในแล้วเอาออกยากเนี่ยนะก็ลองใครเป็นมิจฉาทิฏฐิดูเหอแล้วไปเอาเาเอาไอความคิดอันนั้นเขาออกนะอันนี้เรื่องใหญ่มากส่วนทิฏฐิเป็นสมภพนี่ตรงนี้บางคำภีท่านแปลว่าคับแคบนะ ทิถิมันแคบคือมันทําการบีบคันเพราะฉะนั้นคนที่ที่ยืนยันในทิถินะัส่วนนั้นอนะ่ะพวกนั้นจะอึดอัดค่อนข้างอึดอัดถ้าจะว่าไปนะเขาก็ทุกขโขเหมือนกันนะคนที่เป็นมิจฉาทิฐิคือในสิ่งนั้นมันไม่จริงแล้วเขายืนยันอ่ะนะเขาก็ต้องคอยปก ป, กปักรักษามันเขาก็เดือดร้อนนะกับเพราะไอ้ความเห็นอันนั้นจะต่างจากสัมมาทิฐินะสัมมาทิถิจะไม่ค่อยเดือดร้อนกนะ็จะสบายสบายอยู่แล้ว แต่ถ้าเข้าใจผิดนะพวกนี้มันอุดอัดเรื่องนะมันต้องรักษาหลักการของตัวเองไว้ซึ่งมันไม่จริงอ่ะมันลุมที่เป็นมิจฉาทิฐิก็คับแคบพาะง้นแล้วก็บีบคันเนี่ยนะทุกพ่อัยทิฐิของตัวเองนั่นแหละอ๋อขอโทษเป็นหรือเปล่าส่วนทิฐินี่เป็นเครื่องกังวลเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันก็กังวลใช่ไหม มันปิดกั้นแล้วก็ความหลุดพ้นไอ้กังวลบางทีก็หมายถึงว่าหลุดพันต์ปิดกั้นความหลุดพ้นนะมันทําให้ไม่หลุดพ้นอยู่แล้วแล้วก็ทิฏฐิเป็นเครื่องผูกพันนะนะแบบท่านก็ย้ําหน้าดูนะผูกด้วยพันด้วยทีนี้ผูกนี่มันต้องดูใครผูกกันนะบางคนนี่ผูกเนี่ยปมนี่แก้ยากมากเนี่ยนะแล้วผูกด้วยพันด้วยจะขนาดไหนก็เลยใช้คำว่าผูกพันซึ่งแปลรวมๆว่าแก้ยาก เนี่ยนะถ้าใครทิถีพันแล้วก็แก้ยากมากเ น, นี่ยสาธุเนี่ยไม่ใช่ถ้าเก่งขนาดนั้นจะชวนไปไหนจะพาไปด้วย <S <S จะให้ไป <S 1> <S 1> ใครมีทิถีนั่นจะให้เชือดเลยปัญหามันหามันมันจะบาดตั้งแต่ชักห่ืสิต่อไปนะทิถีเนี่ยเป็นเหมือนเหวถ้าเหวก็คือที่มันชันใช่ไหม ก็แปลว่าที่ไหนที่มันลงลึกๆเลยนะเหมือนบอ่อเนี่ยนะแปลว่าถ้าพูดแบบนั้นอะ่ะต้องการอธิบายอะไรแต่พูดในที่ลึกๆแล้วมันชันไม่มีที่เกาะอะไรเลยนะยแปลว่ามันขึ้นยากคือ <c oughs> ถ้าใครตกลงไปในนั้นนี่ยมันขึ้นยาก <c oughs> ทิฐถิเนี่ยมันเป็นเหวใหญ่มากเป็นหลุมใหญ่ที่ถ้าใครลงไปในทิฐิแล้วนะโอ้โหยากมากเพราะฉะนั้นอย่างทีว่า คนทั่วๆไปเกลียดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมว่าโดยรวมๆมาเนนีะ่ก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าทิฐิมันถ้าเขาชินกับแบบนั้นนะไอการไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากนะเหมือนกับยิ่งกว่าปีนเกลียวซะอีกนงี้ยนะทิฏฐินี่เป็นอนุสัยพระอธพว่ามีกําลังมากหรือมีเรี่ยวแรงมากเนี่ยนะเพราะมันมีกําลังมีเรี่ยวแรงนะธรรมะเนี่ยนะถึงความมีกําลัง ส่วนที่ถี่นี่เป็นเหตุให้เดือดร้อน <c oughs> เมืองไทยนี่เดือดร้อนเพราะที่ถีไม่ค่อยเห็นแต่ที่อินเดียนี่มีให้เห็นเยอะใช่ไหมเทศกาลกุมภามลีลาอะไรเขา่ที่ไปอาบน้ํากันนะนะ่แต่ถ้าห น, น้านี้นะถ้าไปอินเดียน่าจะเห็นเยอะเดือดร้อนเพราะทิ่ถีตือนชาอมาก็ต้องไปอาบน้ําใช่ไหมอาบน้ําล้างเขาถือว่าล้างของเราถือว่าล้างสิ่งสกปรกใช่ไหมของเขาเขถือว่าล้างบาปนี่แั้นถ้าไปอาบหน้านี้ด้วยนะ องศาก็แทบจะติดลบอย่างเงี้ยนะนะนะไม่ตายก็เกือบอะ่ะก็ไม่ให้ตายง่ายๆเราก็ก็เกือบนั่นแหละแต่ว่าอาบไปอาบล้างบาปไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะมันเดือดร้อนเพราะทิฐิเนี่ยมากหรือบางคนเนี่ยถือว่าการไม่กินอาหารเป็นความบริสุทธิ์หรือกินอาหารแต่น้อยเป็นความบริสุทธิ์พวกนี้ก็ต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นอ่ะนะแล้วก็มาเดือดร้อนแบบนั้นอีกหรือไปคิดว่าถ้าจะบริสุทธนะิ์นั้นต้องเอาเสี้ยนตานเนี่ยมาถอนเส้นผม หรือเสื้อผ้าเนี่ยนะต้องนุ่งหม่มเอาผมคนนะมาถักถักถักถักแล้วนุ่งหม่มจึงจะทําให้บริสุทธิ์บางคนบอกไม่ใช่มันต้องทําตัวเหมือนสุนัขเนี่ยก็เรียนแบบสุนัขทุกกระบวนท่าหมดบางคนบอกไม่ใช่ต้องเรียนแบบโคสิเนี่ยก็ทําตัวแบบโคะนะเพราะฉะนั้นไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้หลักการพิธีกรรมทั้งหลายแหลที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนองทิฏฐิก็เดือดร้อนนะเพราะทิฏฐิอันนั้นนะ แต่บางคนก็จะเลยเถิดนี่เห็นไหมแกมีที่ถีรักษาอุโบสถกันเลยหิวข้าวเย็นเลยเนี่ยอตากิระมัฐานุโยกอันนี้งนี้มากไหมอันนะใครรักษาอุโบสถพวกนี้อัตากิระมัฐานุโยกไม่มัชชิมาเลยนะมัชชิมาก็คือหิวก็กินมันเลยไงนะไพวกนี้ก็ น, นี้กา ม, มาสุขอันนะเพราะฉะนั้นไอคําว่าเดือดร้อนหมายถึงเดือดร้อนแบบที่ถี่หกสิบสองอแบบแบบลัดที่ทั้งหลายแหล่ที่เขาไปประพฤติอันนะ ในพระสูตรเนี่ยพูดเยอะนะีที่เรียกว่ากลุ่มที่ทําตนให้ลําบากประกอบด้วยการทําตนให้ลําบากเนี่ยนะลำบากก็แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเขาทําให้ลําบากหนึ่งโดยเครื่องนุ่งห่มไปสรรหาเช่นหาปีกนกเข้ายังไงมาถักเป็นเสื้อผ้านุ่งอย่างเงี้ยนะสรรหาที่อยู่อาศัยนี่ก็เยียงพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยมีทิฏฐิบางช่วงเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วไนงะ ตอนกลางวันที่แดดมันร้อนจ้าแกก็ไปอยู่กลางแดดตอนกลางคืนที่หิมะมันตกเย็นเยือกแกก็ไปอยู่ใต้คนไม้นะที่มันเย็นชนิดที่เยะยเยือกอะนะคือหมายความว่าให้มันสัมผัสกับความเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้พอถึงเวลาร้อนก็ไปสัมผัสกับความร้อนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนัอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิเหมือนกันก่อนนั้นนึกถึงอาจารย์ประโมทถามอ้าวทักเย็นเนี่ย ก, กำหนดรู้เย็นไม่เป็นยาตาปริญญาหรือ เนี่ยนะสมมติถ้าเย็นๆสักห้าองศาอย่างเงี้ยนะกําหนดรู้เย็นเลยไหมหรือทํำยังไงของใครเสนอวิธีการขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณจู่มาทีบายไหมถ้าเนี่ยเย็นเนี่ยห้าองศารึเอาเอาสักศูนย์ก็ได้ไออยังไม่ออกความเห็นนึง <c oughs> <laughs> พวกการไหนออกออกทิฏฐิบ้างไหมถ้าเย็นขนาดหนึ่งองศาเนี่ยเราจะเจริญกรรมฐานจะทํำยังไง หนาวขนาดนั้นเนี่ยจะทำยังไงอ๋อเอากรรมมัสกาตามาตึก น, นะท่านพจน์ในขั้วบุตรคิดว่านะฮะสมมติมันหนาวมากๆะะหูมันจะหลุดนะคะหูจะหลุดเอางั้นเลยนะได้ไหมครับก็ไม่คือสมมตินะ <c oughs> เขาให้อยู่อย่างนั้นสักห้าชั่วโมงแล้วคุณคิดอย่างนี้ไม่ถึงครึ่งนาทีแล้ว <c oughs> ไอ้เวลาที่เหลือไปทำอะไร นะวะคือคือสมมุติให้อยู่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะเย็นตลอดห้าชั่วโมงเนี่ยจะทํำยังไงเอาคือไม่ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยว่างๆก็ไปอยู่ที่กุฏิก็ได้ก็ได้ไปอยู่ข้างล่าง น, นะตรงที่ฉันนะ่ะแล้วก็เอาผ้าไปสักชิ้นเดียวก็พอเนี่ยนะแต่ว่าปกปิดร่างกายแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานในนั้นทั้งคืนด้วยนะจะไปเจริญกรรมฐานอะไรเอาแล้วมันเต้นไหมล่ะ ไม่ใช่นึกถึงไอ้ตัวหนึ่งอะนะสุนัขของที่รีสอร์ทอะเวลามันขึ้นไป น, มนีมันมันมันมันก็เกรงอยู่เต็มที่แล้วอีกสักพักมันก็สะเทอนสั่นเรียกแล้วก็พักหนึ่งสะเทินรันเรียกขึ้นมาเลยนะนไก็ช่วยไม่ไปเบียดเบียนเพิ่มเติมนี่ก็ถือว่าช่วยและก็ช่วยไปใส่ในกระดุมห <c oughs> น้นาเลยก็ข้งมันเขาใส่เสื้อให้มันนะแล้วมันก็ลงน้ําเฉยนั่นแหละ ใส่ใส่ลงน้ํานทั้งเสื้อนะคือแต่ถ้าเราเย็นเองเนี่ยนะถามว่าก็มีเอาเอาแบบตัวอย่างในคัมภีร์ท่านพูดถึงว่าเมื่อท่านสัมผัสเย็นที่สุดอย่างพระรูปหนึ่งท่านนั่งตากหิมะอย่างเงี้ยนะแล้วร้อนเนี่ยท่านก็ตากแดดลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์าารยนีมน์เข้าร่มเธอมันร้อนผมที่ผมนั่งอยู่นี่เพราะผมกลัวร้อนนะหวังกัน ก็ท่านคิดถึงว่าโลกันเออเวจีนรกมันร้อนกว่านี้เยอะเนี่ยนะานถ้าไม่รีดทําปริญญาให้มันเสร็จนะไม่พ้นจากความร้อนอันนั้นแน่ทีนี้พอตอนหิมะต่อท่านนั่งแช่หิมะเขาบอกว่าเข้าร่มเธอบอกผมเนี่ยกลัวเย็นเน่ยผมยิงมานั่งตรงนี้บอกว่ากลัวโลกันตนรกมันเย็นกว่านี้เนี่ยนะเขาไปมานสิการนู่นทําไม่ได้คิดไอ้แค่เย็นอยู่เท่านี้หอรอนกนะเข้ามองวัตตะเป็นส่วนใหญ่ เขามองชีวิตในวัตตะเขาไม่ได้มองแค่แต่บางคนทำได้คิดแต่ทีนี้สําคัญนะว่าเออเมื่อทําได้แล้วทําไปทําไมคือหมายคาอว่าไปไปนั่งอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างพระในตัวอย่างหมายถึงท่านกุศลเจริญอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคือคือกุศลเจริญในการอยู่แบบนั้นอ่ะนะคือหมายคาอว่าเ อ, อไออุณภูมิ น, นั้นมันกระตุ้นต่อการเจริญกุศลของท่านมากเนี่ยนะ คืออย่าลืมว่าในคำสอนของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าอยู่โดยทุกขเวทนาแล้วกุศลเจริญ<ม>ก็ควรทำเนี่ยนะคือถ้าอยู่แล้วเป็นทุกข์นะแล้วกุศลเนี่ยเจริญมากก็ควรแต่ถ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นทุกข์กุศลไม่เจริญก็อย่าไปทำบางคนอยู่เป็นสุขแล้วอกุศลมันเพิ่มต้องไปอยู่โดยทุกข์หน่อยแล้วอกุศลไม่ค่อยกลุ่มรุมอ่ ะ, นะ้ก็ต้องต้องรู้ประมาณของตนะนะว่าว่า อะไรนะวันก่อนอัดตันอยู่ใช่ไหมรู้ตัวเองมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจากมีปฏิภาณแบบไหน ก, ก็รู้จักตัวเองให้พอนะและจะเจริญกุศลได้ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเอาบั่งแล้วเราจะเอาบ้างเหรอนี่ะตากแบบฟังธรรมดย <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะว่าทึงไหนนะ สิบห้าทำตนให้เดือดร้อนว่าไปแล้วข้อข้อสิบห้านะทำตนให้เร่าร้อนคือมันตามเผาผลาญตนอ่ะนะคือพอทิฐิเกิดขึ้นก็เผาตัวเองในตอนหลังอ่ะนะเพราะมันว่าตั้งทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ตามเผาตัวเองขึ้นก็เดือดร้อนเพราะความคิดที่ตัวเองคิดอ่ะนะข้อสิบหกก็บอกทิฐิเป็นเครื่องร้อยกรองทิฐิเป็นเครื่องยึดมั่นอันนี้ก็ ทิฏฐิเป็นไอคำว่าร้อยกรองก็คือร้อยรัด น, นะนะร้อยรัดด้วยกิเลสต่างๆส่วนทิฏฐิเป็นเครื่องยึดมั่นก็คือมันยึดอย่างมั่นคงเลยนะแสดงว่ามันขันน็อตอย่างดีเลยนะขันน็อตแล้วก็ตัดหัวทิ้งเลยนะจะได้ไขไม่ได้ทิฏฐิเป็นเหตุให้ถือผิดถือผิดว่ายังไงถือผิดว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่เนี่ยนะก็ ใครมาว่าอย่างอื่นไม่เชื่อแหละอย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่ใช่แน่นอนหีืเอาทิฏฐิแบบอกัสปะอะไรเนี่ยเขาหนทีกัสปะขยากัสปะเนี่ยนะคนพี่ชื่ออะไรเนี่ยชดินสามพี่น้องอะเนอ่ยอรุเวละกัสปะนี่ยนะ อ, อรุเวละกัสปะหนทีกัสปะขยากัสปะเนี่ย รูเวลกัสปาเนี้ยเขาบอกแม่มหาสมณะมีฤทธิ์มากแต่ไม่เป็นพระอรหันเหมือนเรานะพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ขึ้นมาโอ้หมหาสมณะมีฤทธิ์มากแต่ไม่เป็นอรหันเหมือนเรานันะเขก็ตอนหลังเขาบอ ก, บอกท่านไม่ได้เป็นอรหันอะไรหรอกแล้วก็โอ้โหสังเวชนะนะละอายใจตัวเองมา ก, ก น, นะก็เลยเปลี่ยนทิฏฐิขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วใครที่ยึดถือแบบนั้นเนี่ยยากนัะถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะ อย่าคิดจะไปแก้ชายดินสามพี่น้องนั้นเลยหมดหมดสิทธิแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาเป็นผ้ารหันมานานแล้วเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสรู้วาระจิตทุกความคิดของเขาหมดเลยนะที่เขาทำอะไรพระองค์รู้หมดแล้วบันดาลฤทธิ์ให้ให้เกิดความเชื่อถือด้านอื่นๆเนี่ยมากแล้วจึงไปบอกว่าท่านไม่ใช่นะแต่ว่าตอนแรกไปถึงไม่ได้ไปปฏิเสธเลยเนี่ยนะ ก็ไปอยู่ด้วยกันไปก่อนนะนะแล้วก็นอนทำให้เห็นตั้งหลายเรื่องนะตอนหลังค่อยบอกว่าคุณน่ะไม่ได้เป็นพระอรหันอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ถ้าไปถึงไปบอกเลยเนี่ยนะลูกนะ <c oughs> ลูกสีย ต, ตั้งห้าร้อยอ่ะผ <c oughs> ละไม้คนละมือนี่ก็เรียบร้อยแล้วอ่าเฉพาะคนพี่นี่ก็แสนกลับ ตั้งความปรารถนามาแสนกับเพื่อจะเป็นเอตทัคคะด้านมีบริวารมากาา ก, ก, นะก็อะไรมั่งที่เป็นไปไม่ได้อนนย่างยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งนะพระชัมพู ก, กะไงพระชัมพู ก, กะเนี่ยท่านก็เป็นพระที่บวชบวชพระศาสนาพระพุทธเจ้าสององค์ก่อนเนี่ยนะสองหมื่นปีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปด่าพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งนะคือ ชัมผูกะเนี่ยอดีตชาติท่านเป็นเจ้าวาดัดก็มีโยมอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยอุปถากวัดนี้เป็นประจําก็มีพระอาคารตุกะมาองคหนึ่งอุบาสกคนนี้เขาเห็นเขาก็ศรัทธาพระที่มาใหม่นะคือพระที่มาใหม่เนี่ยเป็นพระอระหันต์อุบาสกเขาก็ศรัทธาวันนั้นท่านก็ช่วงปลงผมพอดีนะอุบาศกเขาก็เชิญไปเขาก็ปลงผมให้แล้วก็นิมนต์ไปฉันอาหารอย่างดีชัมผูกะแกก็คิดว่าเอ้เนี่ยถ้าพระองค์นี้มาอยู่ด้วยนะ บาศกเขาศรัทธาเหลือเกินเนี่ยนะก็คือพิเตมัตรชรยะเกิดขึ้นเนี่ยนะอาวาตมัฉ ร, ริยะกุลมัฉ ร, ริยะต่างๆก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ทําใจไม่ได้บอกถ้าท่านอยู่นี่เราเนี่ยราบสาการะลดลงแน่ก็เลยด่าพระอรหันต์ว่าที่อุบาศกเขาถอนเขาโกนศีรษะให้อย่าไปยินดีเลยนู่นเอาเสี้ยนตาหน่ะมาถอนไปกินข้าวปลายาตของโยมไปกินอุจจาระนู่นแหละอะไรเงี้ยก็กรรมมานั้นก็ตกนรกเหมือนกัน ตกนรกมาชอชาติหลังสุดเลยนะชาติหลังสุดก็เกิดมาเนี่ยก็ไม่กินอย่างอื่นนะกินแต่อุจจาระตัวเองก็กินแต่อุจจาระมาเรื่อยๆพ่อแม่นี่รังเกียจมากไล่หนีแกก็หนีนะแกก็ไม่อยู่แล้วก็ไปกินอุจจาระไปแล้วก็ใช้เสี้ยนตาเนี่ยถอนผมตัวเองตลอดทีนี้หนักๆเข้านะแกก็หลอกลวงประชาชนว่าแกเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากเข้าไม่กินเพราะใครให้กินอะไรแกไม่กินอ่ะแกไม่ชอบกินอุจจาระอย่างเดียวนะ เสร็จ แ, แล้วเขาบอกถ้าโยมเขาเหมาเอาอาหารมาเยอะๆนะแกก็เอาหญ้าอันนึงไปจุ่มๆแล้วแตะปลายลิ้นหน่อยเออได้บุญกันเยอะแล้วอ่ะนะไม่กินหรอกกลางคืนแก ก, ก็แอบไปกินอุจาระที่เขาทิ้งเอาไว้คนไม่สงสัยอยู่แล้วใช่ไหมก็นึกว่าไม่กินอ่ะนะใครไปเชื่อว่าไปเก็บอย่างเงี้ยกินได้ตอ น, น, นพระ อ, องค์ก็ไปโปรดบอกว่าท่านเ อ, อเขามีวิธีหลอกลวงอีกอย่างหนึ่งเขาจะยืนขาข้างเดียวแล้วอาปากกินลมนะถ้าเขาบอกเหยียบสองข้างแล้วแผ่นดินมันจะสุด คนก็เชื่ออีกไหมโหลูกศิษย์เยอะแยะไปหมดเลยตอนหลังพระองค์ก็เสด็จไปโปรดนะช่วงนั้นกรรมก็ไอ้ที่ทำไว้ก็เบาบางฟังฟังธรรมเกิดที่อุตะปะตอนนั้นก็เป็นผ้ารหันชาติสุดท้ายที่จะเป็นผ้ารหันยังเป็นแบบนั้นเลยก็กรรมที่ทำไว้ในในอดีต